คนเราเนี่ยมันทำหน้าที่หลายอย่างทั้งช่วยในการหาอาหารหรือว่าสิ่งจำเป็นต่อชีวิตขนะเดียวกันก็ทำให้เรารู้ว่ามีอันตรายอะไรอยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงถอยหนีแต่ว่าคนมักจะมองข้ามความจริงที่ว่า ไอสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยหรือเป็นอันตรายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเสมอไปแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราใจของเราบางครั้งเนี่ยมันก็น่ากลัว ก, ว, กว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้ามีพี่ิงคนหนึ่งนี่กลัว ง, งูมากนะแล้วก็วันหนึ่งก็ไปพัก อ, อยู่ในบ้าน กลางสวนตกกลางคืนก็มีเหตุที่จะต้องออกจากบ้านไปหาของก็ต้องเดินเข้าไปในสวนในสวนนี่มันก็ย่อมมีงูนะแต่ก็เรียกว่าภาวนาเลยนะขอร้องนะได้โปรดนะอย่าได้เจองูเลยเพนเนี่ย ใกล้ๆสวนเนี่ยมันมีอู่ซ่อมรถช่างเนี่ยคนหนึ่งเขาเอาผ้าขี้ริ้วเนี่ยที่มันเปื้อนน้ำมันคิโลเนี่ยโยนไปในสวนตรงทางที่เธอจะต้องเดินผ่านพอดีเมอเธอเห็นผ้าขี้ริ้วพื้นนั้นเนี่ย ก็ตกใจนะเพราะนวดเป็นงูแล้วแม่ตกใจเปล่านะวิ่งเลยนะตะโกนเลยนะงูงูแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นที่มืดนะกองค้ำกลางคืนวิ่งไปก็ไปสะดุดรากไม้อย่างแรงเลยล้มลงบอราว่าขาหัก ชาวบ้านแถนั้นได้ยินเสียงว่าโอ้ยงูก็เลยพากันมาเพื่อที่จะไล่งูก็บอกว่าก็พราะความจริงว่ามันไม่ใช่งูนะมันเป็นผ้าคีริ้วชบน้ามันคีโลแล้วก็เห็นเพียงคันนั้นเนี่ยนอนลองครวนคราง ไม่ใช่เพราะงูนะแต่ว่าเพราะว่าขาหักมีเรื่องคล้ายคล้ายกันนะเป็นเรื่องของอาจารย์สิงทองอาจารย์สิงทองนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาบัวแล้วก็ตัวท่านเองก็มีลูกศิษย์เยอะรนะวมทั้งคุณหมออมารามลีลาด้วยอาจารย์สิงทองเล่าว่าเนี่ยตอนที่ยังยังหนุ่มเนี่ยทุดดงคนเดียว ไปกลางป่าลึกท่านก็เหมืออคนทั่วไปนะัคือกลัวกลัวเสือแล้วป่านั่นก็มีก็มีเสือเพ่นพ่านด้วยคืนหนึ่งเนี่ยท่านเดินจงกลมอยู่ตอนนั้นอากาศมันหนาวมากนะต้องห่มผ้าถึงสามชั้นนะทั้งสังขาติแล้วก็ผ้าห่มด้วย ระหว่างที่เดินจงกรมอยู่ผ้าห่มเนี่ยมันก็หลุดจากตัวท่านแล้วก็มากองอยู่ตรงทางจงกรมท่านก็ไม่รู้นะพอท่านเดินสุดทานแล้วท่านก็วกกลับมองไปข้างหน้าก็แทนที่จะเห็นเป็นผ้าห่มนะเขาก็นวดเป็นเสือ ตอนนั้นบอกท่านกลัวมากเลยนะขาสั่นเลยใจนึ่ยคิดจะวิ่งหนีนะแต่ว่าหักห้ามใจเอาไว้ยังมีสติอยู่แล้วก็ใจนึงก็กลัวว่าเนี่ยคนก็จะว่าเราอย่างไรนะถ้าคนรู้เราวิ่งหนีเสือท่านก็เลยนะฝืนใจเนี่ยเดินไปตามปกติ แต่ท่านบอกในแต่ละก้าวที่เดินนี่มันมันยากมากเลยมันต้องใช้เลี้ยวใช้แรงมากกว่าจะาขยับขาไปทีละก้าวทีละก้าวแตเมื่อเดินไปสักพักก็พบว่าอนั่นไม่ใช่เสือมันคือพ้าห่มนั่นเองวันนี้ท่านเดินสบายเลยเดินไปหยิบผ้าห่มมาพ้าห่มมาคลุมตัวอีกครั้งหนึง่ง ทั้งสองเรื่องนี้คล้ายๆกันนะคือตามันหลอกคนหนึ่งตามันหลอกว่าผ้าที่ริ้วมันคืองูอีกคนหนึ่งตามันหลอกว่าพ้าห่มนี่คือเสือที่จริงตามไม่ได้หลอ ก, ก น, นะตามก็ แสดงภาพตามความเป็นจริงนะแต่เป็นใจต่างหากนะที่มันมันหลอกใจมันหลอกเจ้าของนะเห็นผ้าก็ปรุงเป็นงูหรือแม่ก็เห็นผ้าห่มก็ปรุงเป็นเสือนะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันนะคือว่าคนหนึ่งเนี่ยนะ พอนึกว่าเจองูเนี่ยตกใจขาดสติวิ่งทันทีเลยจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุนะขาหักอีกคนหนึ่งนะเห็นเสือกลัวขาสั่นเลยแต่ว่ามีสติหรือว่าสามารถที่จะใช้สตินี่คมนะ ความกลัวไม่ยอมหนีแต่ก็ก้าวเดินต่อไปจนทั้งพบความจริงถ้าถ้าอาจายสิงห์ทองทั้งวิ่งหนีนะก็อาจจะหัวรังข้างแตกหรืออาจจะแข่งขาหักนะเหมือนผู้หญิงคนนั้นก็ได้คือมันช่เลยนะว่าบางครั้งเนี่ย ใจเนี่ยมันก็หลอกเราขณะที่ตาเนี่ยมีไว้เพื่อทําให้เราหลีกเลี่ยนอันตรายแต่ใจเนี่ยโดยพจนิยามที่มีความกลัวเนี่ยมันกลับเป็นอันตรายยิ่งกว่าเพราะมันสามารถทําให้เราเนี่ยนะบาดเจ็บแค่งขางหักได้ทั้ง ท, งที่ไม่ได้มีอันตรายอะไรอยู่ข้างหน้าเลย มันก็แค่ภาคีรุแต่แม้ว่าใจนี่มันจะหลอกเราอย่างไรเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามีสตินะมันก็ช่วยกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายได้ที่จริงจะว่าใจมันหลอกก็ไม่ใช่นะมันเป็นเพราะความกลัวต่างหากความกลัวมันหลอกเรา ความกลัวมันมันปรุงแต่งจิตจะทำให้เห็นอะไรที่มันเลวร้วายจะว่าใจมันหลอกเราหรือว่าความกลัวมันหลอกเราก็แล้วแต่นะแต่ถ้าว่ามีสติเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ไม่เกิดอันตรายขึ้นมาได้ ปุุชนเนี่ยนะมันก็ยากนะที่จะไม่ให้มีความกลัวหรือว่าอารมณ์อย่างอื่นเช่นความโกรธความเศร้าความเครียดและพวกนี้มันก็สามารถที่จะปรุงแต่งนะรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูหรือถึงแม้จะ ไม่ได้เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงอะไรที่น่ากลัวแต่ว่าจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาด้วยอำนาจของอความกลัวหรืออารมณ์อกุศลเรานั้นได้มันเป็นธรรมดานะแต่ถ้าว่ามีสติเนี่ยนะมันก็ช่วยรักษาใจแล้วก็ช่วยรักษาตัวเราเนี่ไม่ใหนะ้เกิดอันตรายหรือทำอะไรที่เป็นโทษนะกับตัวเอง หรือกับผู้อื่นได้อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดานะโดยเพราะเมื่อคนเรานี่ยังมีกิเลสเนี่ยมันสามารถที่จะปรุงอะไรต่ออะไรมากมายที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการกระทำของเราต่อชีวิตของเรา ซึ่งตามมาด้วยความทุกข์ก็ได้เพรามันมีความสามารถมากนะอารมณ์พวกนี้ที่จะหลอกเราอาจจะไม่ได้หลอกด้วยการปรุงแต่งรูปหรือปรุงแต่งเสียงแต่ จ, จะหลอกด้วยการสรรหาเหตุผลที่สวยรู้ เพื่อที่เราเนี่ยจะได้คล้อยตามคล้อยตามมันหรือว่าทำตามหน้าของมันเพื่อปนเปือมันให้ฟูมากขึ้นอย่างหลายคนเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยที่ต้องไปกินเหล้าเนี่ยนะก็เพื่อสังคมบ้างละหรือเพื่อการงานบ้างละเนี่ย ไอ้พวกนี้ก็เบนก็เป็นเหตุผลที่ดูดีนะกินเหล้าเพื่อสังคมนะหรือว่ากินเหล้าเพื่อเพราะจำเป็นกับการงานแต่บ่อยครั้งมันเป็นแค่เหตุผลสวยหรูที่กิเลสมันปรุงขึ้นมาแล้วพอเราไม่รู้ทันเราก็คล้อยตามมันที่จริงเหตุผลจริงๆก็ไม่ใช่เพื่อสังคมหรือ เพื่องานการอะไรหรอกนะแต่ว่าเพราะมันถูกใจกิเลสอันเด็กเนี่ยนะร่ำร้องอยากจะได้ iPad นะอ้างกับพ่อแม่ว่าเนี่ยจะมาใช้ในการเรียนเหตุผลก็ดูดีนะแต่ว่าพอได้มันแล้วนี่ก็เอามาเล่นเกมไอการเลี้ยงก็เป็นข้ออ้างของกิเลส ซึ่งเด็กอาจจะไม่รู้ตัวนี่พอไม่รู้ทันกิเลสเนี่ยมันก็ถูกมันหลอกนะได้มาแล้วก็เล่นเกมอย่างเดียวเลยนะสนองกิเลสเต็มที่ไม่ได้ใช้เพื่อการเรียนเลยผู้ใหญ่ก็ไม่เบานะเห็ในใครเ็ามี iPad อยากจะมีบ้างนะแล้วก็อ้างว่าเนี่ย มี i p แ d แล้วจะได้มาเปิดดูการบรรยายธรรมทาง y o u ูทูบจะได้ฟังธรรมจะได้ดูการบรรยายธรรมนะแต่พอได้มาแล้วก็เอามาเล่นโซเชียลมีเดียเอาม า, อาดูหนังเอามาเล่นเกมที่จริงมันเป็นเจตนาของกิเลสตั้งแต่แรกแะแต่ว่ามันก็ฉลาดนะถ้าบอกว่าเนี่ย ซื้อแอดแพดมาเพื่อจะเล่นเกมเนี่ยคงไม่ได้ผลนะก็ต้องอ้างสรรุผลา่าเพื่อมาเปิดดู YouTube ฟังธรรมะหรือว่าติดตามข่าวสารนะนี่คนจำนวนมากนี่ก็ไม่รู้ทันกิเลส น, นะพอไปหลงเชื่อเหตุผลที่สวยหรูก็เลยทำตามอำนาจของมันนะจนตกอยู่ในอำนาจของมันไปเลย มันไม่ใช่แค่ความอยากอย่างเดียวนะความโกรธก็เหมือนกันนะความโกรธเวลาโกรธใครเนี่ยนะกิเลสมันก็อยากจะอยากจะสั่งให้เราดา่าอยากจะสั่งให้เราทำอะไรต่ออะไรที่เป็นการตอบโต้ทำร้ายเขามันก็สร้ายเหตุผลนะว่าอย่างนี้ต้องสั่งสอนต้องสั่งสอนในงั้นมันได้ใจอดูมีเหตุผลน ะ, อะพอเราหลงเชื่อเราก็ทำตามมัน โดยที่ไม่รู้เนี่ยจริงๆไม่ได้ตั้งใจสั่งสอนหรอกนะแต่ว่าตั้งใจที่จะเล่นงานให้เข็ดหลากหรือให้เจ็บปวดความโกรธมันก็มีเหตุผลของมันนที่ชักชวนให้เราทําตามอำนาจของมันอ้างความถูกต้องอ้างความดีเห็นไปทั่วนะคนทําร้ายกันในนามของความดี อ้างเพื่อปกป้องความดีเพื่อรักษาความถูกต้องความเป็นธรรมแต่บางครั้งเหตุความโกรธมันก็หรืออารมณ์พวกนี้มันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลนะมันไม่สนใจเหตุผลเลยด้วยซ้ำถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอายุก็สี่สิบกว่าแล้ววันหนึ่งก็ไปร่วม ง, งานเลี้ยงรุ่น เพื่อนที่มาร่วมงานนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักเรียนร่วมรุ่นซึ่งไม่ได้พบกันมาสามสิบปีหลังจากจบมัธยมแล้วก็แยกย้ายกันไปอาจจะมีการพบปากกันบ้างแต่ไม่ค่อยมีการเลี้ยงรุ่นนั้นคนที่มานี้ก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนนักเรียนเพื่อนสมัยนักเรียนก็ไปเจอคนหนึ่งนะ ทีแรกก็จำไม่ไดนะ้เพราะว่าเธอไปอยู่อเมริกาตั้งสามสิบปีหลังจากเรียนจบอพอซักถามก็จำได้ว่าอ๋อเป็นเพื่อนคนนี้เองสมัยเรียนมัธยมนะนึกหน้าออกแล้วก็พลอยจำได้ต่อไปว่าเนี่ยก่อนที่เพื่อนคนนี้เนี่ยจะ ไปเรียนต่อที่อเมริกาเนี่ยนเคยมีเรื่องโกรธเคืองกันถึงกับขั้นไม่พูดไม่คุยกันเลยพอเธอจําได้ว่าเคยโกรธเพื่อนคนนี้นะเมื่อสาสิบปีที่แล้วนะจากเดิมที่คุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสนี่กลายเป็นบึ้งตึงเลยนะหน้านี่เปลี่ยนสีเลยเพื่อนคนน้นก็แปลกใจว่าทําไมท่าทีสีหน้าจึงเปลี่ยน พอรู้ว่าเคยมีเรื่องกับเธอมาเมื่อสามสิบปีที่แล้วเมื่อถามว่าโกรธฉันเรื่องอะไรเธอตอบไม่ได้นะโกรธเรื่องอะไรรู้แต่ว่าเคยโกรธ ถ, ถึงขัาไม่เคยพูดคุยกันพอรู้เท่านั้นนะหรือจำได้นี่มันโกรธขึ้นมาเลยทั้งที่หายโกรธเป็นนานแล้วแล้วฉทั้งที่ ไม่รู้ว่าโกรธเรื่องอะไรแต่เพราะมันเคยโกรธก็เลยขอโกรธต่อนะให้ความกลวดนี่มันบ่อยครั้งมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลนะเช่นเดียวกับอารมณ์ไหลอารมณ์เนี่ยเช่นความเบือ่อความสิ้ความรู้สึกสังกตายอย่างที่พูดไว้เมื่อสองวันก่อนเนี่ยมันมีมันมีสาเหตุแต่ว่ามันเกิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลคือ อธิบายไม่ได้แล้วจะใช้เหตุผลเนี่ยกับมันบางทีก็ไม่ได้ผลนะในอย่างที่เราโกรธเนี่ยนะจะใช้เหตุผลเพื่อให้ความโกรธมันบรรเทาเนี่ยบ่อยครั้งก็ไม่ได้ผลเพราะว่าไอ้ตัวมันเองเนี่ยก็มาแบบไม่มีปีไม่มีคุยไม่มีเหตุไม่มีผลอยู่แล้ว น่าจะใช่เหตุผลเนี่ยระ ง, งับความโกรธทำได้ยากในบางครั้งแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เอามันอยู่นะคือสติเนี่ยเพราะสติมันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลน ะ, ะสติท่าไวเนี่ยนะมันรู้ทันความโกรธแล้วก็มันสามารถที่จะทำให้ความโกรธเนี่ยละลายหายไปได้ เพราะความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความหลงแต่พอมีสติขึ้นมาเนี่ยไอความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นพอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นความหลงหายไปไอความโกรธมันก็ค่อยๆจางคลายไปยงั้นคนเราเนี่ยมันจะเจออารมณ์ที่รบกวนแบบนี้เนี่ยอยู่เป็นระยะระยะบางทีก็ไม่รู้สาเหตุ บางทีก็ไม่มีเหตุไม่มีผลเอาเหตุเอาผลกับมันไม่ได้บางทีเอาผิดเอาถูกกับมันยังไม่ได้เลยแต่ว่าสติเนี่ยนะมันเอาอยู่นะถ้าสตินั้นไวเร็วพอนะที่โกรธอยู่ ด, ดีมันหายโกรธเลยแต่ว่าสติจะมาเร็วมาไวเอาอยู่เนี่ยมันมันไม่ได้เกิดขึ้นโดย อัตโนมัตินะมันต้องเกิดจากการฝึกนั้นถ้าเรามันฝึกสติอยู่เสมอเนี่ยหรือว่ามันสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวแล้วก็มันรู้ทันมันบ่อยๆเนี่ยสติจะมีกำลังมาก แล่จริงเราก็ไม่ เ, เป็นต้องฝึกสติจากการมาเข้าคอร์สมาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะมาตามลมหายใจอย่างเดียวอันนั้นที่จริงมันยังไม่พอด้วยซ้ํานะเราต้องสร้างสติขึ้นมาฝึกสติเนี่ยในชีวิตประจำวันและต้องรู้จักนะเอาประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็น เครื่องฝึกสติอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยอากาศหนาวเนี่ยเวลาอากาศหนาวเนี่ยแทนที่จะบ่นวอยไว้เราก็มองว่าเออเข้ามาฝึกสตินะเอาความหนาวมาเป็นเครื่องฝึกสติว่าเออเราจะเห็นความหนาวโดยที่ไม่เป็นผู้หนาวได้อย่างไรเราจะเห็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับกายโดยที่ใจไม่ทุกอย่างไรนะ เวลาเจอความร้อนก็เอาความร้อนเอาอากาศร้อนเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติว่าเออกายมันร้อนนะแต่ว่ายังไงทํายังไงจะรักษาใจไม่ให้ร้อนรักษาใจใปกติได้นะเห็นความร้อนที่เกิดขึ้นกับกายโดยที่ไม่เป็นผู้ร้อนนะ เวลายุงกัดมดกัดเออมันมีความคันความปวดก็แทนที่จะโมโหมดโมโหยุง่งก็อเอาความเจ็บความปวดความคันจากมดจากยุงงนี่แหละนะมาเป็นเครื่องฝึกสติว่าเออเราจะเห็นเวทนาเห็นความปวดความคันได้อย่างไรโดยที่ใจไม่ทุกข์ จะดูมันเห็นมันอย่างไรจะปล่อยวางมันอย่างไรนี่เราต้องรู้จักฉลาดนะเอาเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ถูกใจเราหรือไม่พึงปรารถนาเนี่ยแารที่จะปล่อยให้มันมาซ้ำเติมให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นเราก็เอามันเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสตินัดเพื่อนเพื่อนไม่มาตามนัด ไม่ถึงแม่มาถึงเวลายังไม่มาสักทนะีเกิดอะไรขึ้นนะมันมีความร้อนรอนกระวนกระวายมีความหมงุดหงิดอ้าก็เอามาเป็นเครื่องฝึกสติเลยนะทำยังไงเนี่ยจึงจะรู้ทันนะความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นทําไงถึงจะเห็นมันนะยังไม่ต้องคิดถึงขั้นว่าเออกําจัดหรือกำหรับไม่ให้มันมีหรือทําให้มันหมดไป มันจะมีมันจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของมันแต่ว่าเราจะเอามาเอามันมาเพื่อฝึกดูมันฝึกดูฝึกเห็นรู้ซื่ อ, อหรือเอาเหตุการณ์นั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกก็ได้นะบางทีรถติดออรถติดจิตตกหงุดหงิดอ่านี่เข้ามาเพื่อ สอนเรานะเพื่อฝึกให้เรามีสติใช้โอกาสนี้ใช้เหตุการณ์เหล่านี้นะมาเป็นเครื่องฝึกสติพอไม่งั้นเนี่ยนะมันจะจะทุกข์ด้วยเพราะถูกความหงุดหงิดรุมเรา้าบางทีมันก็ลุกลามไปเป็นความโกรธแล้วก็กระสับกระส่ายนักภาวนาเนี่ยต้องรู้จัก นะใช้เหตุการณ์ต่างๆ เ, เลยเพราะสิ่งที่เรียกว่าอนิจจารมหรือโลกธรรมฝ่ายลบเนี่ยมันเป็นเครื่องฝึกสติเวลาไปซื้อของแล้วปรากฏว่าแม่ค้าขอทอนเงินไม่ครบรู้สึกโมโหรู้สึกเสียดายอ่านี่แหละนะเอามาฝึกสติซะเลยเอาเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นหรือเอาอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติว่าเราจะเห็นมันรู้ทันมันและปล่อยวางมันได้อย่างไรปล่อยวางทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นและปล่อยวางทั้งเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วลบางทีซื้อของเราคิดว่าซื้อได้ราคาดีแล้วปรากว่ามาพบว่า ของมันยังแพงอยู่เพราะมีคนที่ซื้อได้ถูกกว่าเราพอรู้ว่าเพื่อนซื้อได้ถูกกว่าเราเนี่โอ้รู้สึกโมโหขึ้นมาเลยโมโหตัวเองถ้าปล่อยให้ความรู้สึกมันเล่นงานเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นักปฏิบัติละนักภาวนาหรือนักปฏิบัตินี่ก็ต้องรู้จักเอาอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติเหมือนกันเราจะรักษาใจปกติได้อย่างไร เราจะวางใจอย่างไรที่จะไม่ทุกข์เมื่อรู้ว่าเพื่อนเขาซื้อของได้ถูกกว่าเราหรือว่าเขาได้โบนัสมากกว่าเราเนี่ยนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักเอาเหตุการเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจาวันเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติต่อไปเจอเหตุการณ์หนักๆแทนที่เราจะเป็นทุกข์กลัดกลุ่มนะ ตื่อโชคหัวเราก็สามารถที่จะผ่านมันได้เช่นเงินหายถูกโกงเป็นหมืนม่นๆีนนนเป็นแสนนะหรือว่ารถเกิดถูกลักขโมยไปแทนที่จะทุกข์กับมันก็ผ่านมันไปได้ในเวลาไม่นานหรือไม่ิฉะนั้นก็ฉลาดที่จะเอา เการเหล่านี้มาเป็นเครื่องฝึกสติเหมือนกันคราวนี้ไม่ได้ฝึกสติ่างดีนะแต่ว่าสามารถจะรับคมปัญญาให้มันให้มันเฉียบคมเฉียบแหลมได้ให้เห็นความจริงว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองนะอะไรๆก็ไม่เที่ยงต่อไปไปเจออะไรที่หนักกว่า น, นั้นเนี่ยเช่นความเจ็บความป่วยด้วยโรคร้ายหรือว่าพัดภักสูญเสียคนรัก ซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะสาหรับคนคนหนึ่งนะสหรับทุกคนเลยลเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นคนส่วนใหญ่พอเจาอหกเหล่านี้แล้วเนี่ยเสียพูดเสียคนไปแล้วก็มีนะหรือว่าตี อ, อกชกขัออันนี้เพราะว่าเขาไม่เคยที่จ ะ, ะฝึกสติไม่เคยเลยลู่ที่จะเอาเหตุการ์ต่างๆที่เป็นอนิจธารม ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเป็นเครื่องสอนใจเครื่องฝึกใจแต่ถ้าว่าเรารนะู้จักเอาเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆอยที่ไม่ถูกใจเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสตินะพอเจอเหตุการณ์หนักๆเจอวิกฤตมันก็จะผ่านไป ไ, ปได้แล้วก็มีปัญญามากขึ้นแล้วคนทุกวันนี้เนี่ยพอเจอวิกฤตแล้วเนี่ยนะไปไม่รอดนะ กัดกลุ่มตีออกชกคัวเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เคยคิดที่จะเอาเหตุการณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์ที่ไม่ถูกออกถูกใจในชีวิตประจําวันเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติเลยเขากลับมองว่ามันเป็นเคราะห์มันเป็นความซวยแล้วก็บ่นวุวายตีโพยตีพายท่จริงถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะเวลาภาวนานมันจะง่ายมากเลยนะเพราะว่าเวลาภาวนานมันจะมีอารมณ์หลายอย่างเกิดขึ้นความคิดต่างๆผุดขึ้นมา ความฟุ้งซ่านความหมงุดหงิดหลายคนภาวนาแล้วทุกนะเพราะว่ามีอารมณ์พวกนี้เนี่ยามารบกวนที่จริงมันไม่ได้รบกวนหรอกเพียงแต่ว่าเป็นเพราะเราไม่ชอบมันเป็นเพราะเราต่อต้านผักสายเป็นเพราะเราไม่ยอมรับมันแต่พอเราฝึกใจยอมรับมันหรือมองให้ดีว่าเออเข้ามาเพื่อฝึกสติความฟุ้งเข้ามา เพื่อให้เรามีสติรู้ทันได้ไวเปลี่ยนความหลงให้เป็นความรู้ตัวงั้นพอมีท่าทีแบบนี้เนี่ยนะมันจะฟุง้งมันจะมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าล้วนแต่มาเพื่อฝึกสติของเราให้ไหวขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้เกิดปัญญา รู้กายรู้ใจได้ชัดเจนขึ้นนักภาวนาต้องทำอย่างนี้นะถ้าไม่ทำอย่างนี้มันจะเรียกเป็นปนักภาวนาไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักใช้เอาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกเครื่องสอนใจนักภาวนานี้ต้องรู้จักเรียนรู้เป็นผู้ใยรู้อยู่เสมอแล้วก็เป็นผู้ใยฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลา ฝึกจากไหนนะไม่ได้ฝึกจากการเดินจงกลมจากการสร้างจังหวะจากการตามลมหายใจอย่างเดียวแต่ฝึกจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านหรือประสบในชีวิตประจำวันด้วยซึ่งถึงตอนนั้นก็ทำให้มีความพร้อมในการที่จะรับมือกับวิกฤตหนักๆที่อาจจะผ่านมาเป็นครั้งคราวแต่ว่าผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะผ่านมันไปได้นะไม่ติดตันหรือกลัดกลุ่มจมอยู่ในความทุกข์อย่างที่ ใครต่อใครก็เป็นกันช้อนนี้เพื่อนท่า น, นี้นะกล้ครับ